โฟกัส w ป็นโฟกัใน one point like the h uh, like a, a projective point but at the time ที่เราไม n มีโฟกัสมันไม่มัน fixed point focusing point แต่พยยม to take off the focus take ใช่ the whole body นั่นคื h ที่เรียกว e าเ a u r n s t to t h r o u e whole body that's how to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 ไปจับของนี่เอียดออกใช่ไหมแล้วก็เอาเข้ามาอันนี้ <c oughs> สำมินชีเตปาา ป, า, า, ป า, าสายิเตก็คือให้รู้ตลอดหลวงพ่อเทียนท่านเลยจับจุดนี้มาเป็นสร้างจังหวะเลย <c oughs> หูเข้าแล้วก็เยดออก <c oughs> อันนี้เพราะนั้นครูพิษนะครูพิษรามันวงที่ในสถาบันเราเนี่ยถามเรื่องนี้ว่ามันมาได้พิษ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 ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเป็นหลักฐานนะทีนี้เมื่อยุคคูเข้าเหยียดออกที่เราย่อยแยกจากสองเนี่ยให้เป็นสิบมันก็เกิดความถี่ของความอของสติมากขึ้นและความถี่นี่มันก็จะสั่งสมความไวอ่านั้นปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องความถี่กันใช่ไหมยิ่งถี่ความถี่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดใช่ไหม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 คนอินเดียเขยืมคำคำนี้มาใช้คำว่าสระแต่เป็นโสเสือลอเรืออันเดียวกันแต่ว่าถ้าเขียนแบบสันสกฤตใช้สคอยสาถ้าเขียนบาลีใช้โสเสือแต่รากศัพท์อันเดียวกันคือแปลว่าเล่นนะดูนะถ้าสสเสือลอเรือลงปัใจจัยใน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 น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราเจอเจสติเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวนี้เพื่อป้องกันตัวจิตเพราะจิตแล้วมันก็ไปสร้างกรรมเพราะนั้นกรรมจิตเป็นนามแต่ไปที่เป็นรูปก็คืออุตุกอาหารกรรมจิตอุตุอาหารเพราะนั้นอุตุหมายถึงดินฟ้าอากาศแต่ในภาษาของแพทย์เขาใช้คาว่า vitality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 แต่ความร้อนขึ้นส8เราไปไงไขแล้ใช่ไหมพลังเรามีแค่ภายในเขามี 3, 40ี่สแต่ความร้อนขึ้นสี่สิบห้าบทีอาจจะช็อกเลยก็ได้ใช่มความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉ ต, ตะอุตุกับภหิทะอุตุไม่สัมพันธ์กันกอให้เกิดความไม่สบายที่เราแน่ใจได้ไงว่าพลังภายในเราเพียงพอที่จะต่อต้านนั้นก็คือมาการปรับทาสีทุกวัน